ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาคะปูชาในวันนี้อาตมาพยัยามคงกล่าวประทินนักกะคถาคือเรื่องเฉพาะเรื่องเป็ะเลจไม่เป็นชุดแต่ถ้ากอดไม่ได้ที่มันจะเป็นเนื่องกันเองจะได้กล่าว้วยวัวข้อว่าธรรมยตาประยุก ค, คือธรรมยตาที่จะนาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ ใ น, ในชีวิตประจำวันเป็นอย่างน้อยนี่ทํามประยุกตประยุกต์นี่เดือเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้โดยมาการู้แต่เอาไปใช้เป็นประโยชน์ไม่ได้กันเสด็จมากเช่นที่พระกดอยู่รู้ธรรมะมา ก, มากพูดได้มากพูดได้กว้างขวา ง, ง, งแต่เอาไปใช้เป็นประโยชน์ไม่ได้ก็มีไม่ไม่สามารถจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้ก็มากเนื่นนี้อยากจะพูดให้ชัดเจนจนเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างน้อยที่สุดเอาไปใช้พูดติดปากได้ก็ยังดีหมายความว่ามันมีความรู้ที่ถูกต้อง าปากมันจึงพ้นออกมาเป็นคําพูดคํานั้นซึ่งหมายถึงสิ่งนั้นที่เราเล่ามาเราก็ได้ทําให้เกิดคําพูดที่ใช่เป็นคําอุทานก็ได้เป็นคําแสดงความรู้สึกก็ได้เป็นคาําด่าก็ยังได้เช่นคําว่าตัวกูนี่ของกูมันก็แสดงความรู้สึกเป็ น, นทางกิเลสก็ได้เพามันเลวหรือย้อนกลับมาเป็นเรื่องด่าตัวเองว่ามันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเองเห็นแก่ตัวกูของกูก็ได้ แ, แต่ว่าอารมณ์ ปัดลุ่มอยู่ในจิตนั้นมันมีอยู่อย่างไรที่นี้เราก็มีคําสิบเซนธรรมะเป็นข้อธรรมะในพูดถึงมาหลายปีเต็มทีกันพอจะติดปากอยู่เช่นคําว่าอีทัพปัดจยตาซึ่งมีความหมายถึงก็ปัดกวาดแล้วมันเป็นไปตามกฎแห่งเหตุผลโดยธรรมชาติตามธรรมชาติโดยกฎแห่งเหตุผลอีทัพปัดจยตาถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดทารุณร่ายไม่รักไม่กมโกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่พิจักกังวลถึงเรื่องอะไรทำไมเป็นท้องตลาดอะไรฮะอีทัพปัดจตตา พิลลีงไปกับสุญญตาโอยมันไม่มีอะไรที่จะไปเอามันได้เรื่องตาตาตาตาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองฟังดูใครก็พูดเล่นแต่ไม่ใช่คพูดเล่นสูงสุดในกระพุทธศาสนานะเช่นนั่นเองมันนี่ก็อยากให้มีคำพิเศษมีความหมายมากดีมากทีไปเหลยวได้มากและเป็นคำลูงสุดหรือเป็นคาสุดท้ายว่าคือคือคาว่าอัตมัจจตาแหลกรู้อยู่ยังปุกกับอยู่แต่พูดกันอยู่เสมอแั้ก็ชินไปเองอัตมัจจะตาอัตมัจะตา คำนี้แปลตามจาหนังสือแปลยากเรจะอธิบายให้ฟังเป็นหมายถึงอะไรแล้วก็รู้จักความหมายแล้วก็พูดเป็นภาษาบาลีอะกันไม่ต้องแปลเลยมันจะตาอะไรว่างแต่าาาญญาตานฉนนั่นเองกาทํามันจะตาทิ้ไปเลยนั่นท <c oughs> ่าแรกแลลเอาแต่ใจความนะจไม่ด้กได้ก็แปลว่ากูามไม่เอากระมึงลุ้ยนั่นคือความหมายของอาตมมันจะตาอะไรที่มันทําห้ความยุ่ยากกป็นหวาไม่รู้จักสินสุดตัดออกไปดยความรูกว่ากูไม่เอากระมึงลว้ยนี่คือความหมายของาคํานี้ ปรากฏรู้ส <Jub> ึกออกมาเมื่อ <ruim> มันโลงโลงไปทีถ้าจะทุกคนทุกคนมันมีอาการเค่นี่ว่าโล่งออกไปทีโลงไปทีหมดห่วงไปทีหมนลุ่งไปทีที่มันหมดออกไปได้นั่นแหละคืออาการของอตมัจจยตาแต่มันเป็นเรื่องเล็กๆเรื่องเด็กๆปเรื่องในบ้านเรื่องอะตมัจตาเป็นเรื่องสุดในทางธรรมะจะบรรลุมาผลนิพพานกูมีเอาไมงเ้ยมาคอในฝายิเลสในฝ่ายวัตตะสงสารในฝ่ายกองทุกข์กูมีเอาไมุงเอย่อแล้วการไปเอาฝ่ายโนดฝ่ายโลกุตตะฝ่ายโลกยการงวงที่แล้วก็ เตรียมหัดไว้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นเล็กๆเ็กๆทุกวันทีเดืนที่ว่าแมวกับมึงก็เลยอ่ะมันก็ทมาเดียวกันแหละกระทำเมตตาที่สูงสุดท exactly right. ี่จะทำให้ละจากโลกนี้ไปสู่ันโลกกูมเอากับมึง้วยก็มเอากับโลกนี้ไม่เอากเื่อโลกนี้ม่เอากรโลกที่เอากนานๆอยู่เป็นมันนานธรรมาลีประมาณนี้ไม่เอากระเีกไม่เอากระโลกนี้มก็ไปสู่โลกอุตรประทศโลกมัน้องเป็นจุดเปลี่ยนนี่เป็นภาษาวิทยาศาสตร์หมายว่าเป็นจุดเปลี่ยนการเปลียนแปลตรงนั้นมันเปลี่ยนไม่เอากระฝอยนี้ก็ไปม่า ดูเปนไปตามลาดับคุณก็ฟังดีว่าจะพูดให้เป็นลําดับแต่ตัว ก, กอเป็นตัวฮอล์ครับเพราะธรมันอยู่ที่ตัตวฮอสุดท้ายอย่างไรในสิ่งแรกที่สุดก็จะต้องยกขึ้นที่จะทำยกขึ้นมาพูดก็คือพระรัตนตรยัยพระรัตนตรยัยคือประพุทธประธรรมและพระสงฆ์สามอย่างนี้ไม่ต้องอธิบายกันในวันนี้แล้วเพราะมันเพื่ี่จะรู้แล้วแต่คนจะรู้ชัดไปว่าพระธรรมพระธรรมแบ่งออกก็ ไ, ได้เป็นศีลสมาธิปัญญา คำเดียวคือกรรมแบ่งออกไปได้เป็นศีลสมาธิปัญญาที <c oughs> ่ศีลคืออย่างไรสมาธิคืออย่างไรประกอบใจเใจเรงม า, ออางปัญญาปัญญามันจะไปทางไหนกา <c oughs> ไปในทางเรืรู้ความจริงของธรรมชาติ <c oughs> ถึงขนาดที่จะรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสามนปัญญาในขั้นแรกทั้งหมดจะต้องรู้อนิจจังทุกขังอนัตตานี่เราปิบายมาแล้วพอจะรู้อนิจจังเียนรื่อยต้องอยู่กับสิ่งเปลี่ยนเรื่อยเป็นทุกข์ เขาเปลี่ยนเรื่อยเป็นทุกบังคับไม่ได้ก็เป็นอนัตตานรู้จักเห็นแจ้งรู้ฝึกนนิจังทุกรังอนัตตาทีนี้ก็เห็นหใจความสมคาคัญของอนทั้งสามนี่รว่ามันเป็นธรรมะปีตตาคือมันตั้งอยู่ตามธรรมดาตั้งอยู่ตามธรรดาของธรรมชาติเรียกว่าธรรมะปีตตาเป็นอนิจจังุขังอนัตตานั่นเป็นการตั้งอยู่ตามธรรมดาแล้วว่ามันเป็นธรรมนิยมตาคือตั้งอยู่ตามกฎเฉลี่ขาดของธรรมชาติหรือธรรมดา อาการอย่างนั้นเรียกว่าอิทับปัจจะยตาตั้งอยู่โดยกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติอย่างนั้นเรียกว่าอิทับปัจยตาคือตการเป็นไปตามอํานาจของเหตุและผลตามกฎของธรรมชาติเมื่อสิ่งหนึ่งนี้อยู่ก็เป็นเหตุให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งเช่นี้มีอยู่ท่านั้นมันก็เป็นเหตุเกิดสิ่งใหม่เหตุให้เกิดผลขึ้นมาแล้วผลก็กลายเป็นเหตุมัเป็นเหตุให้เกิดผลอีกอันหนึ่งอีกเลยเกิดผลนั้นแล้วผลก็กลายเป็นเหตุให้เกิดสิ่งอื่นอยู่ให้เกิดสิ่งอื่นต่อไปมอย่าเป็นผลี้กลายเป็นเหตกลายเป็นผลลลแ้วกก็็ายเเปนหตุ นั่งว่าอย่างนี้กันสักพีนก็ไม่เดาไม่เดาต้องสียนตานมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าอิทัปปัจยตาคือความสันตงเป็นไปตามปัจจัยนี่นี่นี่นี่ทีนี้มาเห็นชัดอย่างนี้แล้วก็ถือเห็นโอ้มันว่างจากตัวตนเห็นว่างว่างว่างว่งสาระแห่งตัวตนนี่เรียกว่าเห็นสุญญตาแปลว่าความว่างมองเห็นมันว่างอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นได้ว่าอย่างนี้ไปทั้งหมดว่างจากตัวตนไปทั้งหมดทุกอย่างทุกอย่างเอยถือเอาความจริดสรุปท้ายว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองคือตถา ตถาตาคำนี้มันจะใช้ว่าตาตาก็ได้ตถาเฉยๆก็ได้แล้วเมื้อไงตถาเป็นเช่นนั้นตทาตาความเป็นชนั้นตถาตาความเป็นชนนั้นแต่ว่าคำที่สมบูรณก็คือคาว่าตถาตาเป็นเช่นนั้นเองพอเป็นเชนนั้นเองเห็นชนั้นเองกะจัเลยทึ่งแตติดใจก็เป็นนั้นเองทีนี้ธํามุญตามันจะมาแล้วมันก็ไม่เอามันเลยพอกันตีวามันมีอะไรแล้วแยกกันแยกกันีถาตาข้าวที่มีเกี่ยวข้องอาศัยกับสิ่งนั้นนั้นอีกต่อไปพูดภาษายระราหิตระกูยเอาก็มืออต่อไป หลังจาเห็นปัญหาตาแล้วก็โอ้ปัต า, ตานันเองแค่ น, น, น, นันเองกูเี้ยวกัมต่อกันแยกตัวออกไปกระโดไปฝันน่งนู้นฝั่งนี่ฝั่งนี่มันจบกันเท่านี้แหละนะกรอธิบายอย่างธรรมะแท้ๆมันก็มีเหมือนกันอธิบายกันได้มากแต่แตกล ว, ว่าผู้ฟังจะหลับเชก่อนไ <c> ม <oughs> <c oughs> ้อย่าเอามาอธิบายเลยเ <c oughs> อยามาแต่หัวใจฟังเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ลองฟังดูให้ดีว่าในโลกทั้งหลายนี่มันมีสิ่งที่เรียกว่ากามกามะหรือกามพนารับหน้าพอใจ ที่ลนความนารักน่ใจกามนี่จะได้ด้วยนานัตตะอุเบคาอุเบคาที่มีอารมณ์หลาอย่างน่คืออุเบคาในรูปปานก็เลยมาติในลกามเร่มาติดสิ่งที่เป็นรูปคือ่มีกามไม่ใช่กามทีนี้เ็ละรูปนีานัตตะอุเบคาที่จะได้ด้วยเอกตะอุเบคาออุเบคาอารมณ์เดียวอย่างเดียวน็คืออุเบคาในรูปปัจานในรูปปานก็มาติดกรูปานท่านอันสุธาหินเนวัญาัสัญญาะักละจะได้ด้วยอะตมมะยะตา วัวใจมีขนนไไกับือท่านก้นๆก็ ว, ว่าละกามจะได้ด้วยรูปประชานละรูปประชานจะได้้วยอรูประชานละอรูประชานจะได้ด้วยอราอรมเมตตาเ่่งนอะหรือยันี่แปว่ามันแทบฟุมากไปมันเป็นรื่องชวนโม่งหลยแต่เอาไว้แต่ว่าทับทั้งหลายติดอยู่ในรามละกามจะได้ด้วยความมีอุเบกขาเกิดขึ้นจากรูปประชานมาติอยู่ที่นั่นแลละจะได้ด้วยอุเบกขาเกิดจากอารูประชานมติอยู่ที่นั่นแล้วละจะได้ด้วยอารมณ์เมตตาที่นี่กญอนที่ผ่านนี่จะ้ามสงครามใน ที่นี่จะดูลักษณะของมัน <c oughs> ในทุกแง่ทุกมุมที่ควรจะทราบแม้ว่าจะพูดเป็นคำภาษาไทยอันเด็ดขาดตอกา ไ, ไม่ได้ก็อาความหมายได้อันตรายจตาความที่ไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยนั่นๆอีกต่อไปแต่เราเวลานเรามันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยนั่นนั่นเดยปัจจัยนั้นไปตามนั่นเหตุปัจจัยนั้นนเดี๋ยวนี้เป็นอันตรยตาไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยนั้นนั่นอีกต่อไป อ, ur, อีก Aquí, hand, มุม อ, <as> อีกความหมายนึงก <te> ็ว่าที่อยู่มากแต่ก่อนมันสาเร็จอยู่กับคือสำเร็จมาแต่เหตุปัจจัยนั้นๆเดี๋ยวนี้จะไม่เป็นผู้ที่สําเร็จมาแต่เหตุปัจจัยนั้นนันอีกต่อไปอืมอมีความหมายหนึ่งก็ว่าแต่ก่อนมันผูกพันอยู่กับเหตุปัจจัยนั้นนเดี๋ยวนี้จะไม่ผูกพันกับเหตุปัจจัยนั้นนอีกต่อไปนี่เรียกว่าอธรรมวิตารณเอาตามความรู้สึกพูดอย่างธรรมดาตามันก็คือความรู้สึกว่าไม่เอากับเหตุปัจจัยนั้นออีกก่ไไปมเาัับนมัเตปััยน้นอีก่่ไปา ความที่ไม่เอาไม่เอามายุ่งด้วยไม่เกี <C> <C> ก่้องกับเทปปัจนั้นนั่นอๆต่อไปที่นี่พูดสุภาพสักหน่อยพูดนะความอยากขาดจากาสังขารทั้งพวงนี่พูดสุภาพไปแล้วอย่าขาดจากสังขารทั้งปวงไอ้คนทั้นั้นไม่รู้สังขาร น, น่ะคืออะไรหมายถึร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่ใชยากาดสังขารร่างกายสังขาร น, นั่นคือระ บ, บบการปรุงแต่งในความหมายที่กว้างที่สุดสังขารคือระบบการปรุงแต่งนั่นคือสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งอื่นแล้วก็ถูกสิ่งอื่นปรุงแต่ง ที่ภาคอดูนี่ก็สิ่งอื่นรุงแตงขึ้นมาถูกสิ่งอื่นรุงแตงก็เรียกว่าสังขารและสิ่งนั้นรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปก็เรียกว่าสังขารนั้นสังขารหมายถึงทั้งผู้ที่รุงแต่งสิ่งอื่นแลยผู้ที่ถูกปรุงแต่งสิ่งอื่นหรือว่าสิ่งที่ถูกสิ่งอื่นปรุงแตงขึ้นมาแล้วเดรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปทั้งสังขามหมายนี่เรียกว่าสังขารสังขารในร่างกายร่างกายก็เื่นตัวสิ่งอื่นปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต มันมีมันมีน้ำอยู่ในโลกนี้ทะเลมีทะเลในโลกนี้ซึ่งมันต้องมีมาจากเหตุเหนึ่งหละมีทะเลในโลกนี้ไปทะเลมาจากั้นก็ได้แต่ว่อย่าไปรุมเลยมันก็เป็นี่เชืมันก็มีเหตุปัจจัยที่มีทะเลถัามีทะเลมันก็มีไอ้น้ำระเหยมันมีดวงอาทิตย์ไอ้น้ำในทะเลมันระเหยไปต่เป็นเมฆเมฆเป็นเมฆแล้วมันก็เป็นฝนตกลุมารตอลงมามันก็ทาให้ดินมันเปียกดินมันเปียกดินลื่น เ็โมเดินมาลื่นหรอแตกก็ต้องให้ไปหาหมอหมอมาทให้ตอบไม่มีที่สุดนี่เรียกว่าหามันรุงแตกกันเรยไปอย่างนี้ถูกรุงแตกแล้วรุงแตกิงอื่นถูกรุงแ้วรุงแตกริงอื่นถูกรุมแตกแล้วรุมแติงอื่นเียาสังขารยาขาดสังขารท่านปูระบบนี้เรายาขาดไปแล้ไม่ไม่หลงยึดมันถือมันในสิ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่ถูกจิงอื่นรุงแตกแล้วรุงแตกจริงอื่นต่อไปนี้เลิกกันทยาขาดกันทีอาการอย่างนั้นเรียกว่าอัตมายตา สรุปความใมันในพระธรรมคก็ว่าอิสระอิสระอิสระเสรีออกมาจากอำนาจของอภิชาปัญหาอุปาทานกรรมคำนี้มันพูดง่ายพูดติดปากกันมาแต่โบราณวไอ้ิ่รากายเป็นปัญหาก็คืออิชาปัญหาอุปาทานกรสี่อย่างนี่ตัวไรมันครอบําเราคำแก่เรามันบังคับขับลเราเดี๋ยวนี้เป็นอิสระจะออกจากอำนาจของอวิชาปัญหาอุปาทานกรรมอิสระนั่นมันก็หลุดจากเรือนจำ สถิตคุกจิตเตือนจำมันก็ไม่เป็นอิสระทนี้เราไม่เป็นอิสระจากเทปัจใจจากอะไรสังขารในเรนั้นเดี๋ยวนลุดเป็นอิสระออกจากคุกออกจากคุกมันจะทีความหมายเราว่าคุกคุกดีมากเพราะ ม, มันจองจําคุกมีความหมายในหลายแง่อั น, นแรกก็จะระบุว่าคุกแห่งตัวปูเมื่อมีความรู้สึกกับตัวปูมันติดคุกแห่งตัวปูเป็นไปตามความรู้สึกว่าตัวปูและวแต่ความรู้สึกว่าตัวปูมันจะบังคับสายัวไปทางไหนนี่ก็มันติดคุกแห่งตัวปูทางหนึ่งมันก็ติดคุกแห่งอาญาปัญะฆ่าหัว เ um> ส้นามจะเสพครบรู้สึกครามอะไรตะลอยครับอะไรอยทางตาหูใจหมูกิ้นกายใจเนี่ยมันทาให้ตาหูจหมู่ปิ้นกายใจกลายเป็นปัญหาถึมาคนจึงเป็นทาสเป็นทาสของตาหูใจหมูกลิ้นกายใจเป็นขี้ทาสเกินไปถึงเป็นขี้ทารับชายตาหูจหมูกิ้นกายใจที่มันจะใส่หัวให้ไปทำอะไรกได้อัลุดลุดจากคุปแ่งตาหูใจหมูกิ้นกายใจคุปแผงอุปทานไมยมันด้วยอุปทานในตามในตามลึกมันถึงมันในตามของรักของใครพิจารณาทิฏฐิความคิดคาเห็นในเ่องวอุปทาน ยึดมั่นในศีลเราวัดปฏิบัติเชื่อถือมาอย่างงู้เขาเงางานงงา น, งงานเป็นไสยศาสตร์นันเรียกว่าคุปข <c oughs> ันศีลรับประตูปาทานมันก็คุปแห่งอัตวาทุปาทานมีความรู้รสึกยึดมันเป็นตัวตนจนปากให้พูดออกมาว่าตัวกูของกูอุปาทานใดทําให้ปากพูดออกมาว่าตัวกูของกูอุปาทานนั้นเรียกว่าอัตวาทุกปาทานสรุปควานี้มันเป็นคุบของอวิชชาอาวิชชาภาวะที่ปราศจากความรู้อันถูกต้องบังคั้งับไล่ตัดทั้งไลยเป็นไปตามอาวิชชาคือความรู้ที่ไม่ถูกต้อง ยัคุกตัวใหญ่คุกเคระ์มงมกคุกของอวิชชาเดีวนี้อาการที่ออกมาจะได้จากคุกทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละคืออาตธรรมมตาอาตรรมมยตาอาตธรตากจ า, า, า, ากคุก้วเว้ยกูไม่เอากมึงแลเว้ยนะเขาใครพูดจำยากเพามันจง่ายก็มันไม่ลืมเพราะมันมีรู้สึกอยู่ในตัวแล้วรู้สึกอยู่ในใจิตใจแล้วมันยาบมาไมันเป็นเรนะือตินะมันก็ทําให้ดีก็หละเมื่อใดมันเบื่อจนแบบกูไม่เอาามึงแล้วเลยใ้รู้ตานั่นคืออาตธรรมมยตาันจะดี๋ยวนี้พวกเหตุสุภาพก็ค มต้องพูดคํยาบกูมีเอามึงลจริงๆแหะมีคำนี้ไว้ใช้พูดใจระบายความรู้สึกก็ได้ไว่ดาด่ากันก็ได้่าตัมมันจะ า, า, ากูมเอาไมึงด้ <c oughs> อาการที่เรียกว่าคุกคุกนี่หรือว่าอุปาทานนี่ละเอียดมากนะคอยฟใ้ดีํ <c oughs> าแรกมันต้องอาศัยกันอยู่นี่ <c oughs> จาเป็นจะต้องอาศัยกันอยู่เพราะอภิชาติอระอะไรก็ตามแต่เพรธรรมชาติตะตามทำไมอาศัยกันอยู่มันตายส เรตอนอาศัยดินน้ำลมไวองอาศัยอ้ตางอาศัยกันอยู่ลึมันถวเป็นองัารแครถ้ามันอาศัยกันอยู่มันติดพันเป็นคุกนะถ้ามันซพันกันอยู่คือมันอยู่โดยลังสิงเดียวไม่ได้ไม่ว่าอะไรมันอยู่ในเนื้อปัจจัยรอบด้านมันซ้ำพันกับปัจจัยนั่นนั่นันซ้พันกันอยู่จริงมันผูกพันกันอยู่ซ้ำพันนเนื้อกันอยู่เฉยๆแต่าผูกพันในหนาในมันเนียมันผูกผูกมาถึงเรื่องมันผูกมันกันอยู่นี่มันปรุงแต่งกันอยู่มันช่วยปรุงแ่งกัน มันจะเป็นคุกเหมือนกันอีกอันหนึ่งก็มันครอบนำยู่มันครอบนำอยู่ข้างบนมันก็มีอาการแห่งคุกเหมือนกันอีกมันเทาลนอยู่มันเล่าร่อนอยู่มันเทาลนอยู่เราออกไปไม่ได้ทํารักความโกรธอะไรนั้นเราออกไปไม่ได้เทาลนอยู่เทาลนอยู่ก็มีอาการแห่งคุกเหมือนกันแล้มันชิมแทงอยู่ชิมราคาเป็นต้นมันชิมแทงอยู่ในจิตในใจเราออกไปไม่ได้ก็เป็นคุกเหมือนกันรวมทั้งว่ามันทรมานอยู่มันทําการทรมานอยู่ตลอดเวลาอันนีเรียกว่าอาการแห่งแห่งคุบมันละเอียดอ่อน มันไม่เป็นอระแก่ตัวม่ต้อตายจิได้จริงหนึ่งยุดต้องทพันกันอยูพัน ก, กันหยุดตุงแต่กันอยุดปิดบังเอาว้อบงอยู่มันเข้าดนอยู่มันชิมแทงอยู่มันทรมานอยู่คนจะดีไม่เล่าะการที่พ้นออกมัได้ยังไงคืออารรมาาตาการที่หลุดออกา ก, กันได้ไ่เอาก็ะมุนต่อไปแล้คืออธรรมยตาดีก็ไม่ดี <c oughs> อาที่นี่จะที่สถานะหรือที่ตั้งที่อาตั้งที่เกิดที่อยู่อะไรของอารมยตาให้ชัดเจนเออกไปอีกคอยฟังให้ดีธรตมมายาต า, ายอยู่ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรอะไร แรกก็เมื่อถึงจุดสูงสุดของอัศาธาเมื่อถึงจุดสูงสุดของอัศาธาคำนี้บางคนยังไม่เข้าใจว่าอัศาธาคืออะไรอัศาธาคือเน่ห์ยุ่นยวนที่ผูกมัดรัดรึงด้วยความอริยอร่อยถูกออกถูกใจความลงอยู่ในสเสน่ห์รสอร่อยของมันเรียกว่าอัศาธาใครยังมีอัศาธาในอะไรรู้รู้ตัวเองนั่ น, นแหะนับแป็ว่าถุสิ่งของที่คามอารมณ์เรือว่าอะไรจะเป็นที่พอใจกับเป็นอัศาธาเราทั้งนั้นพวกัาก้านส า, ามอัศาธาในกามพวกท่านสามอัศธาในรูป ก็เป็นสูงอัตราธาในอารมูเป็นอัตราธาแน่อัตราะาที่สูงสุดแล้วมันก็จุดสุดไปไม่ได้แล้วก็องเป็นอธรรมมรตตาคอเป็นที่ของโยมก็ไปลางเชว่ามันกินอาหารกินของหวานของเ้าอร่อยอร่อยิ้นอร่อยอร่อยอร่อยพอจุดอร่อยมันสูงสุดมันกินน้ํเลชาไม่ได้กินน้ำกินจุดยิ่ดีิ่เย็นยิ่งกินน้ำเลยจุดอร่อยมันสูงสุดหมดแล้วคอแล้วเมื่อถึงจุดสูงสุดของอัตาธะอธรมมรตตตาข้าพกนี่วนในไฟวัตถุง่ายง่ายจำงูงูของคุณ ธรมดานถ้าว่าสุกสุดทางธรรมะก็นู่นมันพ้นจากกามพ้นจากรูปพ้นจากอรูปไม่มีอัสสาทัศในกามในรูปในอรูปมันธรรมัญญตาอันข้อที่สองเมื่อเห็นความเป็นมายาของอสสาพระอันข้อเรื่องนุ่มอร่อยอร่อยอร่อยเร่ในรู้เรื่องหลอกลวเดี๋ยวนี้มรนรู้เรื่องหลอกลวงของอสสาพระเรื่องความเป็นมายาของสิ่งที่เป็นอสสาพระแม่ไม่ต้องถึงที่สุดมันประหยุดได้เป็นอรรมัญญตาได้ธรรมัญญตาเป็นเพียงกามก็ได้ไม่ต้องไปถึงรูปในอรูปก็ได้รู้ความเป็นมายาของสิ่งที่เป็นอสสาพระพูดอย่างนี้ก็ไ หรือจะพูดว่าเมื่อปัญญาถึงจุดสูงสุดเมื่อปัญญาถึงจุดสูงสุดเมื่อกี้พูดแล้วาปัญญามันมีายขมันอย่างไรย้ำอีกทีว่ามันเห็นอนจังุขังอานตตาธมะิตาธรรมนิยามตาอิัตาสุนตาตาปัญญามันถึงจุดสูงสุดาตาแล้วก็ก็เกิดอาตมยตาเกิดอาตมายตาตนี้พูดว่าเมื่อปัญญาถึงจุดสูงสุดก็เกิดอาตมยตา้มองให้่งว่าเมื่อธรรมะจิตาณถึงจุดสูงสุดคำนี้เป็นธรรมดาไม่รู้กับธรรมิตาณคือ ก็บอกให้ทราบได้งายาที่สวาบรรยายนยาทั้งหลายมีกี่สิบยานกี่ร้ยานใันวะเถิมันแบ่งนานสองประเภทประเภทเป็นธรรมะกิยานคือเห็นความจริงของสังขารในธรรมชาติจะเ็นางุกรตามต้นนีเห็นความจริงขอธรรมชาติของสังขารของสิญจงต่างๆจนกระทั่งเบลนายฮะจะทำเบลนายฝายนี้ิยานทางใจเรียกว่าธรรมิยานพอเบลนายแล้วมันจะเกิดยานฝ่ายนิพพานยานจะเป็นฝายนิพพานยานะเบลนายลายกันหนักแล้วก็จะดับจะนิโรธดับดับดดับเป็นนิพพานวิมุตติ นิพพานกิจานกิานก็เรียานิพพานิยานหมดเลยนิยานเลยมีอยู่สองขธรรมะจิตาณรู้ความรับความจริงของธรรมชาติฉันนิพพานนิยานเป็นธรรมเป็นเหตุให้นิพพานให้หยุดให้เย็นให้ดับนี่เราเมื่อธรรมิตานถึงจุดสูงสุดก็คืออธรรมยตาก็โดดจากฝ่ายตัณหาไปสู่ฝ่ายนิพพานธรรมิยาานี่มาไตเห็นอนิกขังนามาตท่านกันนิพพิธากจบปจะเกิดนิพพิาแล้นิพพิธาเป็นจุดอธรรมยตาคนนิพพิธาเป็กอธรรมยตา ที่นี่ก็ตอนนี้อยากจะระบุยางเมื่อถึงความเบื่ออันแท้จริงด้วยปัญญาเมื่อถึงความเบื่ออันแท้จริงด้วยปัญญาตั้งใดูคำว่าเบื่ออันแท้จริงมันเบื่อหรือยานไอเบื่อด้วยมากแล้วมันก็เบื่ออินแล้วมันก็อินอิแล้วมันก็เบื่อไม่อร่อยทำนะไกินไมก็เบื่อเดี๋ยนั้นไม่เบื่ออันแท้จริงเพรามันไม่เบื่อเลยปัญญามันเบื่อกขาท่องมันก็จุกไปไม่ได้แล้วมันก็เบื่อลุงพุ่มีกินได้อีกนะนันทเบื่อแท้จริงก็ต้องเบื่อด้วยปัญญามันไม่กลับไปลงอีกเมื่อมา จึงเป็นไม่มเบื่อไม่จริงมาเบื่อแท้จริงเนเมื่อถึงความเบื่ออันแท้จริงก็เบื่อโดยปัญญาอันนี้จะมีธรรมยาตาออกม า, าคณเราจะรู้สึกเบือ่ออันเบือนีล้ไม่น่าได้ไปก่นไม่ใช่เบื่อแท้จริงเบื่อถ้เป็นวัดเจ้ า, าของเงินทองอาจจะมีได้แต่ไม่ใช่ไม่ได้เบื่อแท้จริงวางไม่ได้ที่นี้ด้วยละเอียดว่านั้นเมื่อค่าความเบื่ออันเป็นแทชจะได้ความเบื่อที่ไม่แท้จริงค่ามเสืยอด้่ามั น, มนหมดค่าความเบื่ออันแพชอันหลอกลวงค่าความเบื่อทีนั้นเสีย เ่ามเบื่อหนแาจริงควาเบื่อหนาจริงมันก็ได้สมตาที่ น, นี่พูทธภาษารสเปลี่ยนหมาว่าเมื่อยาขาด <c oughs> จากคู่ครองอันทรยศที่มีในภาพพิจนาทำบุรุษยาขาดจากพยาผู้ทรยตเมื่อก่อนนี้เขาเป็นพวกมีกรทะล ก, กันมากลาะ ก, กันมาก็คือตรงคิดไปอย่างนั้น้วต่อมาสามีเห็นได้ว่าพันธยานี่มีชู้ก็นนเลยยายาขาดจากคู่ครองที่ทรยศ แต่ดูแลมันก็น่าหัวน่าจะยาที่โรงศิยานักแตใจไม่ยาบยังม er <stone> ีอยู่ขึ้นกลับมารักอีกก็ได้ถ้ามันเป็นเบื่อที่เป็นเพชรมันเป็นเบื่อที่จริงๆที่มันได้กลับมาอย่างนั้นอีกอะก่อนนี้เรามีสิ่งต่างๆที่เรายึดถือจิตนะจิตแล้วเราใช่ไมเราีพูดถึงวิตนี่สิ่งที่มันยึดถือเอาเป็นคู่ครองเอาอะไรเป็นคู่ครองเอาคำนามาลูปอารมณ์เอาแล้วแต่เอาเวทนาอะไรเป็นคู่ครองเพราะใจในสิ่งใดยึดถือเอาเป็นคู่ชีวิตจิตเนี่ยขันห้าจิตนะันห้าเป็นคู่ครองเ นั่นก็ยาขาดจากคู่ครองอันทรยศไม่เหมือนคนนี่ยาอันาแล้วก็แอบไปหาอีกนไอ้นั้นมันตัดไม่ได้มันยังกลับไปแต่นั้นกับมิตีอย่างนั้นเรีกว่าเบื่อแทนันถ้าเบื่อกิก็เลิกกิ้งก้งนันก็ยาจากเ็นจคันะจ่มีอุปานน่ะมันทำให้เกิดความทุกข์ียประมาณแล้วยาจากอุทานันันเป็นีนี่เรียกว่าเคยรักเคยยึดถือจริงจิได้เ็นจคันนี่ยาขาดเป็นเีนที่นี้จะพูดให้รับไปอีกว่าเมื่อคลังแห่งอนุใส ถูกระเบิดคุณได้ไป็นความมากขึ้นคลั่งแห่งอนุใสถูกระเบิดมันก็ยังไม่รู้อนุใสคืออะไรคนรู้ใช่าความเคยชินแห่งกิเลสมื่อเกิดกิเลสเก็บความเคยชินแห่งกิเลสว่ายเก็บว่ายเก็บว่าเกิดโลภะก็เก็บความเคยชินที่เกิดโลภะว่เกิดโทสะก็เก็บความชินที่เกิดโทสะว่เกิดโมหะก็เก็บความชินที่เกิดโมหะว่เก็บว่ายเก็บว่ายในตัณหาเนี่ยคลั่งมันเป็นคลั่งที่เก็บความเคยชินแห่งกิเลสว่ายนี่แหละอนุใสเพราเก็บว่ามากมาอย่างนี้มันจึงง่ายที่กลับออกมาที่กลับออกมาทร่กลับออกมาเก็บไปมากดังนั้นคนเราจึง คนง่ายที่เปโทสะนเถึงง่ายที่เป โ, โมหะมันเกิดไาจากพลังมากเลลังนั้นูระเบิดเสีย้วยลูกระเบิดคือปัญญายาอตาไมาตา่ตจะพูดอะรระบุก็่อปัญญาในขั้นสี่เป็นอตาเมาตาือคนของปัญญาสูสุดนี่มันระเบิดคลังอนุสัยนันหมดอนุสัยหมดไปตามลาดับ่งกเล น, นเป็นพระที่เจ้าตัดันโยตัอนุสัยันคือตัดไป่เป็นพระเจ้ามันถูกระเบิดถูกระเบิดเบแล้วระเบิดระเบิแล้วระเบิดลังแห่งอนุสัยมันถูกระเบิดเสียยปัญญาทีนี้จะมาถึงคำว่า ประตูพรนิพพานถูกเปิดประตูพนิพพานถูกเปิดแม้ว่ายัางไม่ได้เข้าไปยังไม่ทันจะเข้าไปแต่ประตูพรนิพพานเปิดมาถึงประตูพรนิพพานที่ <c oughs> ปเปิดได้ครับพระวิชาพระโมหามันถูกกำลังมากแล้วปัญญามันสูงสุดมาถึงสัญญตามาถึงตาตามาถึงอัตตมัญญตาในประตูพระนิพพานเปิดถึงขนาดถึงจุดที่ว่าสามารถย่างเข้าไปในประตูพรนิพพานอาจจะย่างเข้าไปในประตูพรนิพพานสมควรที่จะย่างเข้าไปในประตูพรนิพพาน อาการที่สามารถอาจจะย่างเข้าไปสู่ประตูพันธุ์พันธ์นั่นคืออะตัมมยตาอะตัมมิยะตาเลยกลายเป็นจุดุเปลี่ยนจุดเปลี่ยนตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนพร้อมสามารถหรือสมควรหรืออาจจะแน่นอนที่จะเข้าไปในประตูของพันธุ์พันธ์ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนจะเปลี่ยนจากโลกี้ยะเป็นโลคุตระจุดเปลี่ยนอยู่ที่ตรงนี้จุดเปลี่ยนนี้ก็เรียกว่าอะตัมมิยตาหอว่าอะตัมมิยะตาที่มนถึงจุดเปลี่ยนก็คือฝ่ายโน้นนั่นแหละลองดูในทางฝ่ายหลังจุดเปลี่ยนนี้มันก็มีอาการว่าลุดออกมา เป็นอิสระแก่ตัวเมื่อก่อนเป็นเป็นาต็าตาทานเป็นอิสระเดี๋ยวนี้เป็นอิสระแก่ตัวอิสระแก่ตัวจิตเป็นอิสระแก่ตัวก็มองเห็นอะไรหนึ่งมุมหนึ่งก็เดนี้จิตเลิกจากการเป็นบุทุชนจะพ้นจากความเป็นบุตุชนจะมาสู่ขอบเตของอริยะการเลิกจากการเป็นบุทุชนนั่นคืออธรรมยาตาอรตราตาเลิกจากการเป็นบุตุชนเมื่อย่างเข้าสู่แดนแห่งวิมุตตวิมุตตหลุดพ้นหลุดจากคุกหุดจากตาราย่างข้าสู่แดนแห่งวิมุตตนั่นแหละคืออธรรญาตา เป็นภาษาโลอีกคัเมื่อมนุษย์ถึงจุดสูงสุดทหงความเป็นมนุษย์เป็นคนมาเลยก็เตเป็นมนุษย์นมุษพอดีพอรยนีมาถึงจุดสูงสุดงความเป็นมนุษย์เป็นนุษบูรที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์คือจะเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์นี่จุดสูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์ก็คืออัตรรมยาเอาย้อนมาภาษาโซกโดกี้แล้ก็ข้อสุดท้ายว่าเมื่อยาขาดจากตัวกูเมื่อยาขาดจากตัวกูตัวกูดังเดิม ตัวกูที่เป็นสัญชาติสญาณที่มีอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตในรูปของสัญชาติสญาณตัวเองโดยไม่ต้องมีใครมาสอนให้สัญชาติญาณทาเกิดคารู้สึกเป็นตัวตนเป็นตัวตนเป็นตัวตนสัญชาติญาณแห่งตัวตนเป็นที่ต้าแห่งสัญชาติญาณอื่นๆเช่นสัญชาติญาณแห่งการหาอาหารกินอาหารเติบโตนภัยหลบีกซึพันเป็นต้นทุกสัญชาติญาณมันเป็นบริวารของสัญชาติญาณแห่งตัวกูซึ่เกิดอยู่ตามธรรมชาติโดยไม่จำมีใครสอนคนก็มีสัตว์ก็มีต้นไม้ต้น ความรู้สึกไดแล้วมันต็องมีสัญชาตญาณทั้งนั้นมันมีการเดเตลิดโตมันอยากตายมันหีภายมันได้ทั้นั้นจนน้อยมีความรู้จักสืพนรู้จักหนีพายรู้จักต่อสู้รู้จักการคนควาทางวิทยาศารรุ่นหลังครบชับเจมากก่าจนน้อยมีความรู้สึกเหมือนแต่คนแต่มันตำเพราะมันเคลื่อนไหวไม่ได้นน้อยมีความรู้สึกพอใจไม่พอใจมีรู้สึกสุขทุกข์มีรู้สึกกลัวตายอยากอยู่เลยหมือนกันค่ะมันกระับเดือดฉาเหมือนกั่มนุษย์เพราะวมันต้องมีสัญชาตญาณแห่งตัวตนเหมือนกันสัญชาต ลีกมาทางส ja an, Mike, <c oughs> between, Clone, ัญชาติยานแห่งโพธิไม่เป็นสัญชาติยานแห่งอันแห่งกิเลสสัญชาติากลางกลางที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่รูปเป็นกิเลสก็ได้แต่รูปเป็นโพธิก็ได้เดีนมันยาขาดมาเป็นโพธิสูงขึ้นมาทางนี้เลยตามรมยตาไปเป็นอริยะเป็นพระอรหันต์ไปเลยยาขาดจากตัวอุของสัญชาติยานอนนี้จะพอมทีว่าธรรมยตาคืออะไรธรรมยตาคืออะไรเกิดเขาเพื้นที่นัว่ามันเกิดได้เมื่อไรความอร่อยเสน่ห์ถึงจุดสูงสุดมันก็พร้อมที ดเห็คนควาเป็นมายาของสิ่งที่อร่อยนั้นหรือเมื่อปัญญามันถึงขีดสูงสุดของสุญญตาตาตาหรืองธรรมะัิติยานความรู้จักในธรรมชาติของสังขารที่เราล่วงมีความรู้ในส่วนนี้ถึงที่สุดแล้วก็มีความเบื่อจิ้นจิ้นในสิ่งเหงล่านี้แล้วก็ไม่มีความเบื่อแทบเบื่อแทเบือละลอกอีกต่อไปเก็ยาาดยาคาจากสิ่งที่เคยลงยึดมัน่นถือมันเป็นตัวตนอนุสัยคือคลังแห่งกิเลสที่เก็บไว้ถูกระเบิดออกไปด้วยปัญญามันสูงสุดประตูภายพนานเปิดออก มีความพร้อมที่ย่างเข้าไปในประตูพป็นผานนี้เรียกว่าได้ออกมาเป็นอิสระแล้วเลิกจากการเป็นกุถุชนแล้วมาเป็นพระอริยเจ้าเป็นการข้าไปในซูดานของวิมุตห์หลุดพ้นจากอุปาทานเป็นมนุษย์ที่เป็นจุดสุดยอดของความเป็นมนุษย์นะต่อไปนี้เดี๋ยวเป็นพระอริยเจ้ายาขาดจากโลกูดเดชเชิงมาทํำเมตตาจะยากจะง่ายจะดีจะเละไปดูเองไปดูเองไปพิจารณาดูเองอ้าวที่นี่ก็มาเป็นคําว่าประยุกต์ เขามาก็ไดพูดแล้ววันนี้จะพูดถึงอาตมมยตาประยุกติธรรมชาติกันดีได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ดูกันก่อนดูให้มากๆดูจริงๆว่า้าปัญหาเลวร้ายนีอยู่ในชีวิตประจําวันนั่นมันคืออะไระมันคืออะไรสิ่งจะทดสอบตัวเองว่าเป็นอย่างไรเท่าไรเทอมัยก็มีอยู่มีอยู่แท้ๆแล้วก็ก็มีอยู่เกิด อ, อยู่บริโภคอยู่แล้อยู่แท้ๆแต่ไม่รู้จักว่ามันเป็นปัญหาอะไรแั้วก็จะขอยกตัวอย่างมาพอ สำหรับรู้จักในการศึกษาสิ่งที่ท่านต่างหลายรู้จักกันอยู่แล้วทั้งนั้นก็เอ่ยชื่อมันไปรู้จักกันดีฮะใหรู้จักกันดีอคอยฟังให้ดีอันแรกที่สุดก็เลออกชื่อมันว่าความรักอแล้วก็ความโกรธแล้วก็ความเกลียดแล้วก็ความกลัวแวก็ความตื่นเต้นแล้วก็ความอิจฉาริษยญญาความวิตกกังวลความอาลัยอารวรณ์ ความบ้วงความถึงยิ่งนีมากรู้จักเท่านี้ก็จะรู้จักหมดได้เองเท่านี้ก็พอที่จะให้รู้จักทั้งหมดได้ในความรักเนี่ยยุ่งยากที่สุดเพราะมันมีหลายรักรักในความโง่มีรักในติปัญญาก็มีรักมีกิเลสตัณหาก็มีรักในมีกิเลสตัณหาก็มีแต่ความรักโดยทั่วไปเขาบุคคลชนรักในความโง่รักในกิเลสตัณหาปีกัดเขาเป็นความรักปีกัดเจ้าของเขมันรักในกิเลสในความโง่ทุกคนมาเคยรักมาแล้วไม่ต้องพูดมันกัดมันกัดทีมันน้อยมันกัดที่มันน้อย ถ้ามีความรู้เรื่องอนิจจุพันอนัตตาไปถึงอตมยตามันก็สลับความรักออก่อไปได้ทั้งแตท้าตาไม่รักแล้วอตมยตาคือสลับความรักกออไปได้ความโกรธก็งงได้เป็นสัายานันไม่ไดุใจมันก็โ ก, กรธแต่ถามียานนี้ความรูแ้แยกอนิจจสุพันอนัตตาแต่ท่านแตท้าตาตุยตามันก็ไม่โกรธมันสลับความโกรธออไปได้ดอัตมยตาไม่อารมณอเดียติทใหโกรธติกล่ำไปก็ไม่โกรธควาเกลียดก็คือตัวตนที่โง่มันเกลียด มันมีถูกกันครับแบบนิสัยหรือความพอใจอะไรก็มันนั่นก็เกลียดเกลียดอะไรได้ทุกอย่างเกดได้หลายชนิดเกลียดได้หลายง่างหลายมุมเกลียดด้วยความโง่เสิ่งที่ไม่ต้องเกลียดเกลีด้ปัญญาไม่รู้จากเกลียดแต่ิู้ที่น้าเกลียดแต่ถ้ามันมีปัญญาถึงที่สุดมันไม่เกลียดอะไรเลยถ้ามันมีปัญญาถสุดแล้วมันไม่เกลียดอะไรเลยมันจะไปเกลียดแเวลาไปเกลียดแค่เหนื่อย่าั้นถ้าเป็นอตมเนตตาแล้วมันเอาความเกลียดเอาไปหมดทุกอย่างด้านนี่ความกลักลัวอย่าง หมาในกลัวผีเ่ยดูดิมันคนกลัวผีแล้วหมาในกลัวผีเห็นมันคนจะคิดว่าอย่างไรอหมามันไปปาช้ากลางคืนไปกุดจบกินงไปได้ไอ้คนในกลาีต้องแ่อคนกลัวผีหมาไม่กลัวผีแล้วมันมันรู้ผิดมันเข้าใจผิดมันสร้างทัศนธาติผิดผิดยู่นเต็มตัวไอ้หมามันเลยสร้างนาอย่างนี้เป็นมาเล่าเรื่องเตนตัวสักนิดนะเมื่อเด็กๆนี่ยช่วยเขาเลี้ยงวัวจูงวัวกลับบ้านตอนเย็นๆเขาจะผ่านป่าท่าแต่ผ่านทางหน้าป่าท่ากัวแตนนก็ มันกลัวมันจิไม่อยู่กับตัวนะแร้วัวมันไม่กลัว่ามันกลเรียกออกไปกินย่าในป่าหา่าท่านีย่ามาก่าดีมันก็เลยนึกนะเอนี่วัวไม่กลัวนี่ป่าล้วัวกลัวอยู่ยังไงมันกล้อายวัวมันก็เลยลดความกลัวได้นี่มันกลัวหล้วโงเขาถ้ามันกลัวเรืงปัญญามันก็ไม่กลัวถึงขนาดนี้แต่ถ้ามันปัญญาสูงสุดในระดับอาตมุญป่ามันจะไม่กลัวอะไรเลยมันจะไม่กลัวอะไรเลยมันจะไปกลัวน่อยทไมไปกลัวเสียเวลาทไมก็ไม่เอาไม่ยุ่ไม่ยุ่มจะตไปกลัวทำไมเจนความตื่นเต้นความตื่ เป็นเรื่องที่ใหญ่โต ต, ต, ต้องต้องหามานะต้ไปดูกีฬาต้องไปดูฟุตบอลต้องไปดูมวยต้องไปดูเอกสิ่งที่เหน้าประหลาดตื่นเต้นเช่นกิจกรรมมาจากเมืองจีนกิจกรรมควงเก่ากจว่าที่อยู่กรุงเทพไปไปดูหลายคนต้งเป็นหน้าตื่นเต้นแต่ถ้าวันนี้ตลาดมีปัญญาเพียงพอแล้วมันจะไม่ตื่นเต้นแม้แต่แการแสดงกิจกรรมควงเกาเรเอาวดีโอมา ด, าดูที่นี่มันก็รู้สึกว่าโอ้มันน่าตื่นเต้นจริงมันจึงขายตั๋วได้ใบละสามรอยบาทก็เความโง่แความตื่นเต้นขอคนที่ไปดูได้ ถ้าความร่วมพื้นขนาดอารทมายาตาไม่มีอะไรตื่นเต้นเช่นนั่นเองเช่นนันเองเช่นนั้นเองไปโลกระทำก็ไม่ตื่นเต้นไปโลกกระทำข้าได้ก็ไม่ตื่นเต้นไม่มีอะไรจหน้าตื่นเต้นนความตื่นเต้นมัไม่ใช่ของเล็กน้อยเด็กๆท่ชอบตื่นเต้น่ชอบสิ่งเปล่าไปลนมใจอย่างสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความตื่นเต้นมันเ็กะเล็กเลกิดความยุ่งยากกังวเสียเงินเสียทงเสียเวลาเีเพื่อความตื่นเต้นที่ก็ลัอยู่เป็นมากเหมือนกันเห็นสอตาเห็นตาท้าตาพื้นขนาดกามายาตา่ความตื่นเต้นมันก็จะหมดไป เห็นได้ชัมันยึ่มั่นถืมนั้นมาเตาไม่เ้เช่นนั้นเองตื่นเต้นอะไรอาวรนอนไม่หลับถ้าเห็นความจริงศีาสถาปัะหลับอ่กไปจะได้ก็นอนหลับแหลถึงคำอิจฉาลยานี่ก็เหมือนกันมันีตัวกูมันมีตัวกูเกไม่อยากให้ดีมันกูดีถ้าูมาเกียงทางกูไม่เกิอิจฉาลิศยาเาไม่ได้มาทาอะไรตัวนี้แล้เห็นเขาซวยมือนก็ตัวนะคำอิจฉาลิศยาไม่ทอะไรเขาไม่มาทอะไรแล้วเห็นีขกมันเก่งฉะนั มันเห็นตตาสัญญตาตาลก็ไม่ยังไม่มีความอิสยาอะไรไม่แต่นิดเดียวความหวงนี่ก็เพราใช่ความพึงนี่งเ้กรถามีสาตตาตตาเป็นก็ไม่มีเหลือเนี่ยประยุกคือทาอย่างนี้ศึกษาทํามู้ทั้งหลายมาให้ดีให้ถูกต้องั้งแต่อนิยะตาทุกขตาอนัตตามมทิตารมมยามิตาอิทธาปฏิยาตาสญญาตาตาาตาตาตตตาตาตาตาตาตาตตาตาตาตาตาตาาตาาตตาตาตาาตาตาตาตาตาตาตาาาตา อย่างนั้ก็เก่าตายเก่าตายอันนี้จิตตาจุดตานัตตาธมติตตาธรรมนียาตาอิสรัจิตาสุญญาตาตาตาอัตมยตาจุดท้ายของตาคืออัตมยตาตามจริงที่เห็นและเกิดการเปลี่ยนเป็นยุคก็คือเอาไม้ใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอยากจะพูดเรือบุญปัญหาที่มีอยู่ในโลกทุ่มโลกคือปัญหายาเสพติดถ้าว่าได้ศึกษาถึงตาตาตาตาเนี่ยขอไม่มีการย้อมยาเสพติ มันเหลือวิสัยัท the the ี่ทให้เด the ็กๆวรุ่นมีา anyway, รู Henry ้มีความกระจายาหลังนีตาตาหลังนี้ไาเติมันโง่เนี่ยมันโง่เมันมันไปไปทาให้ความปกติงตันสเสียไปความรู้สึกผชอบ่ดีเสียไปสติสัมปัญญะเสียไปสติสัปนเสียไปพอไปดื่มไปกินไปเสพไปทาไปสู่เนทมมันก็เสียไปมันก็ไม่รู้มันเสียไปแลวถ้าเรามียาถูกต้องมีปัญญาถูกต้องมันก็ไม่ถูเสียสติสัเปชัญามันก็ทำไม่ได้ ฉัอบรมกันอย่างไรนะที่จะให้คนทั้งหลายก็มีความรู้เรื่องอตาตาหลไรนี่เปจพ่ออนิจจตาทุกขตาอนัสตา <c oughs> ้าไม่ไปล้มสิ่งคือโง่อยิ่งไปขนาดนี้นำามยมุกดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูกันเล่นเล่นการทนันก น, นชั่วเป็นมิจิทำการงาน ก, ากับาเติดกนันอารมณ์กัเนยาเสติดที่สูงขึ้นไปอารมณ์แห่งตัวตนความยิดมนาะาตัวตนแม้จะเป็นรูปอาลูกภพกอยิ่งเสติดหนักุสุดในอีกทั้งหมดนี้เพราะว่ามันไม่เป็นความเป็นจริงตามเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงที่ แม้กรท่่นสุนยตาตถาตาอัตมายาตายังมีคนเป็นมากที่แบล้มปิดมีความพอใจที่จะเป็นอยู่อย่างสุรยสุราอย่างฟุ่มเฟือยเพราะความโง่เขลาความมันจะพิเศษมันลงมในอัตสาหะมันล้มในอัตสาหะแต่ถ้าปัญญาขณะอัตมายาตามันถึงจุดสูงสุดของอัตสาหะรู้จักอัตาะมันไม่ล้มในอัตสาะนความอร่อยหรือเสน่ห์ของความอร่อยหรือเสน่ห์ของสิ่งที่มีความอร่อยอีกต่อไปมันไปุฟุมเฟือยยุดสุรุยสุร่าุดอะไรไป นที่เหนียวขณะที่ตือที่ตั้งเนี <c oughs> ่ยมันไม่รู้ <c oughs> ถ้ามัน <c oughs> รู้มันจะหยุดได้ที่หน้าหัวเดี๋ยวนี้มันก็มีอยู่คํานึงที่ว่าอยู่ดีกินดีเนี่ยเด็พูดออกมามันก็เป็นสเสน่ห์มากลยแลดูจิตใจมากเลยบาคนก็คือเท่ห์าฮะกินดีอยู่ดีเราบอกายาไปรุงกับมันเอาแต่เพียงว่ากินอยู่แต่พอดีเธออยู่กินอยู่แต่พอดีเธออยกกินดีอยู่ดีแล้วลมัน u, ert, y, u, ert, ไม่มีขอเขตมันชัดต่ไปถ่ายเกินถ่ายนู่นล้รู้ ถ้ามีความรู้เรื่องอนจังทุกครั้งอนัตตาธรรมทำมิราแลมันจะไม่หลงกินดีอยู่ดีจะไม่ไปบูชายคาว่ากินดีอยู่ดีมันจะบูชาคำว่ากินอยู่แต่พอดีกินอยู่แต่พอดีกินอยู่แต่ถูกต้องกินอยู่แต่ลมดุลพอดีถูกต้องเป็นกลางที่ปัญหาที่มีอยู่ในโลกนี้เห็นแต่ตัวเห็นแต่ตัวเห็นแต่ตัวโลกมันจะวินาทเพราะความเห็นแต่ตัวของคนทุกคนที่อยู่ในโลกนี้เพราะมันไม่มียานไม่มีความรู้เหล่านี้ยานความรู้ทุกสิ่งทุกชั้นทุกกระนไปรวมจุดอยู่ที่อตัมมายตาคือดีต่อไม่ออกกับมัน ก็่มาน้นเราลวำนานนบาร์เมีเป็ดรินเสียไปลงเอาแต่มันก็กัดเอาแล่แหกัดตัวเองกับผู้อื่นกัดยุ่งงงดัเห็นแก่ตัวนี่กำลังจากให้โลกมันวินาศอยู่แล้วพวกคมนนิสก็เห็นแก่ตัวคนกนายทุนก็เห็นแก่ตัวพวกลางๆก็เห็นแก่ตัวมันเอะเพื่นไทยะ่ายใต้ก็เห็นแก่ตัวฝ่ายกลางเห็นแก่ตัวกลางก็เห็นแก่ตัวมันจะต้องทะเลาะวิวาดกันเย็นชินกันฆ่ากันกันร่างคลางกันเพราะความเห็นแก่ตัวขึ้นทางเห็นแก่ตัวยอดชนก็เห็นแก่ตัวประชาชนก็เห็นแก่ตัวมันก็เลือก มันก็เลือกผู้แทนที่เห็นแก่ตัวจ้างออนไปแหละมันก็เลือกได้ผู้แทนที่เห็นแก่ตัวไที้ผู้แทนสางได้กอันขึ้นเป็นรัฐสภาเนี่ยมันก็เป็นรัฐสภาที่เห็นแก่ตัวไม่ตอสงสัยแล้วกมันเลือกโดยผู้เห็นแก่ตัว้มันได้ผู้เห็นแก่ตัวข้าวสารอยนี้รัฐสภาเห็นแก่ตัวตั้งรัฐบาลก็ตั้งได้รัฐบาลที่เห็นแก่ตัวอแล้วมันได้อะไรตเเนี่ยปัญหาทั้งหมดมันอยู่ที่นี่อยู่ที่ไม่รู้จากความถูกต้องครับยิ่ง้องธรรมชาติแล้วก็ไม่ดีต การศึกษาวิทยาการทั้งหลายมาตามลดับมีความรู้ถูกต้องแท้ิงในรื่อาน no right. hmm. ิจตตาทุกตานตาตารรมปิตาธรรมยามันตาปจตาิตาาามตาก้าตาตตา้าจะแก้ปัญหาโลกนี้ได้แนี้โลกมีแต่ความเห็นแก่ตัวองค์การโลกของนที่ประชุมกเถียตองนแ่ตัวตัวตกลนม่กังขารต่างๆนแต่ตัวคนหนึ่งก็มีประเทศชาติของตนเองก็เป็นแบบประเทศชาติของตนเองก็ต้องต่อสู้เพื่อประเทศชาติของตัวเองก็เป็นทีทะเลาะกันามอย่างนี้มันมีการรอยสประชาชาติองการโลกก็ไม่มีต ถ้าคนเร่านั้นมาศึกษาความจริงของธรรมชาติรู้จักธรามไม่เชียมเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความว่าจากตัวตนความเป็นจรินั่นเองเลยอะรมยตาความไมอารมณาไร้ความแคบความหลอกลวงนี่ก็ไปมันก็ได้เราพูดกันรู้เรื่องเมืสร้างโลกนี่มีสันติภาพได้เมื่อจบโลกนี่มีสันติภาพนะครความรู้ธรรมะแท้จริงสูงสุดเป็นลาดับลาดับลาดับลาดับขึ้นไป็นถึงอรตมยตาคืจงแลวะว่าอะตมยตาประยุบปัญหาประยุบในการแก้ปัญหาของโลกนั่นนี่านี้งใจจะพูดเพียงเท่านี้อย่างนี้ว่าอรรมยตาเปุน ในความกินของเขาเป็นครราแก้ปัญหาได้ทุกชนิดเอามาไปยุบชาติปัญหาแก้ปัญหาทุกชนิดในโลกได้นะตั้งแต่ของลูกเด็กดๆขึ้นไปนเป็นวัยรุ่นจนผู้ใหญ่จนคนแก่คนเฒ่าคือความไม่ล้มกับสิ่งที่หลอกลวงไม่ตกเป็นชาติของสิ่งที่หลอกลวงคืออัาสาพระของสิ่งที่หลอกลวงสิ่งที่หลอกลวงมีอาสาพระที่เป็นพิกินรให้เด็กๆข้างเรารู้จากตัวเองรู้จากาจการกินดูจากการถูกต้องอย่าไปสอนให้ขาลงในเรื่องฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบ เด็กๆข้าราสุขเ้ี่ลมบวกเป็นบ้าฝอบวกบ้าดีเมาดีลงดีบ้าดีเมาดีลดีทั้งนั้นเรื่องของนี้มากขึ้นมาเด็กๆมรู้จักชั่วรู้จักดีอย่างุ้บ้าดีเมาดีลงดีในบ้าถุกเมาสุขลงสุขท่มันไม่สุขถ้าบ้าแล้วมันไม่เกิดสุขม่ความสุขเลยถ้าบ้าไปเมาไปลงมันจะไม่เกความสุขต้งเมาไม่บ้าไม่ลมในความสุขกันนี่แหละนะเป็นความสุขแต่คนยังนั่งยึดมันหรืมันหมายอะต้องเนื้อสุขขึ้นไปอีกข เนือดีเนือชั่วระความรู้เรื่องนี้เนือสุดเนือทุกัความรู้เรื่องนี้เนือโลกโดยการทางพวงกับความรู้เรื่องนี้เพราะนั้นว่าธรมจิตานี่เป็นญาณหรือความรู้หรือเป็นภาวะสถานะที่สุดของญาณของความรู้ที่ว่าจะเป็นที่พึงได้จริงนะเท่านทั้งหลายทุกคนรู้จักรู้จักรู้จักรู้จักแม้ตัวนิดๆตัวเล็กๆแต่ตัวนิดๆท่านเด็กๆความกไดรู้จักโโลกใจวิธี่นคือรมตาะไก็ตามให้เป็นเล็กๆ ถ้าทำถูกต้องอย่างนั้นล่งใจไปทีนั่นคืออตมยาตาายนมีมากขึ้นมากขึ้นมนในโล่งใจไปทีโล่ใจไปทีคือถูกต้องมันถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องมันไม่ล่ใจทีถ้าจริงได้ไมันจะหกอก็รู้จักท่านว่าเมตนาทีโล่งใจไปทีนี่ผลของอรมตยาตาที่จริงก็มีอยู่มันก็ชั่วอยู่ไม่รู้สึกตัวมันก็ช่วอยู่ให้เกิดโล่งใจไปทีได้บ่อยๆอะไรที่มันําคานลคานเรื่อยๆสลัดออกไปเต้ยไปได้ก็คืออะตมิยะตาซึ่งมีอยู่ในชีวิตประจำวันแต่คนไม การสลัดเอาไปเชได้นั่นแหละคือความถูกต้องที่ความสุขเก็บไว้ในกาศหัวใจมนรรมันหัวใจสลัดออกไปจะได้ก็คือพิพากษ์การสลัดเอาไปจะได้คือธรรมยตาอย่งใช่ธรรมยตาเป็นปู่มือคู้กายคู้ใจคู้วาตาสลัดออกไปเชได้ในสิ่งที่คนสลัดถ้าม่อย่างนั้นจะไม่อาจสลัดแม้แต่สิ่งที่กัดอยู่ในหัวใจรู้จักใช้ธรรมยตาสลัดสิ่งที่ควรสลัดออกไปจะื่อได้ตรงใจอิสระเพียองเปล่าเยือกเย็นอยู่เสมอนี่คือประโยชน์ของธรรมยตาเรามาพูดอีกทีแต่พูดในแง่ของการประยุกต์ มันก็เป็นการพูดที่สมควรแก่เวลาแล้วมันสมควรแก่เรื่งแรที่พูดด้วยมันเร่องแรงจะพูดก็เป็นว่าต้องหยุดปัญญาในวันนี้อะจึงขอยุดการบรญยายเพื่อนอนตั้งมั่นตามประยุกต์เพราะความสมควรแก่เวลาเป็นโอกาสให้พระพุทธจ้าทั้งหลายสวดบทธรรมที่เป็นเครื่องเสริมกาลังใจในการต่อพืชปฏิบัติธรรมให้สูงให้ยิ่งขึ้นไปตามลํำดับตามลําดับจนกระทั่งถึงอนตัมมัจจาอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยอัตัมมัจจาเป็นชีวิตประเสริฐสุดปัญาสมควรแต่เวลาอริติดกันไว้ด้วยกัน คนนี้่รานี่เปนนี้